เมื่อสักครู่เราได้สาธยายนะกรวดน้ำตอนเย็นมาประโยชน์สุดท้ายจำได้ไหมว่าเราได้กล่าวว่าอย่างไร อ, อย่าเปิดโอกาสแก่หมู่มานเิออันนี้มันเป็นไม่ใช่คำขอนะแต่มันเป็นคำเตือนใจเตือนใจเราว่าอย่าเปิดโอกาสให้กับหมู่มาน ก่อนหน้านั้นเราพูดว่าเนี่ยขอหมู่บานอย่าได้ช่องมันจะขอหมู่บานจริงๆก็ขอไม่ได้นะเพราะว่าหมู่บาลนี่เขาคอยช่วยโอกาสอยู่แล้วเขาคอยหาช่องอยู่แล้วที่จะมาคลองจิตครองใจของเราจะไปขอเขาว่าอย่ามารบกวนเราเลยนี่มันต้องเรียกว่าเป็นไปไม่ได้ มันเป็นงานของเขาแต่สิ่งที่เราทำได้คือว่าเราไม่เปิดโอกาสนะให้กับหมู่มานอย่าเปิดโอกาสแก่หมูมานเทินนะอย่าเปิดโอกาสนะโอกาสหมู่มานนี่จะเข้ามาได้อย่างไรนะก็เมื่อเราหลงนะเมื่อเราหลงเมื่อไหร่นั่นแหละคือการเปิดช่องให้หมู่มานเข้ามาแม้แต่หลงดีใจนะ หลงดีใจนี่ก็เป็นช่องนะให้หมู่มานเะข้ามาได้เหมือนกันแล้วพอมาเข้ามาแล้วมันก็เกิดความทุกข์นะตามมาบางคนเวลาดีใจนะก็เผลอพูดเผลอทาด้วยความลืมตัวก็เป็นโอกาสนะที่กิเลสมารเนี่ยมันจะเข้ามาชักใย ห, หรือว่า โน้มน้ำใจให้ทำชั่วผิดศีลหรือว่าสร้างความทุกข์ทั้งกับผู้อื่นและกับตัวเองได้อาจจะเปิดโอกาสไม่ให้มารเนะข้ามาที่ครองใจเราก็ต้องมีเครื่องรักษาใจนั่นคือสตินะ สติและความรู้ตัวนีนะ่ก็เรียกว่าเป็นพี่น้องกันนะได้สติเมื่อไหร่ความรู้ตัวก็เกิดขึ้นหรือว่าพอรู้ตัวเมืนะ่อไหร่นั่นก็ได้สติพระพุทธเจ้าเปรียบสติเหมือนกับยามนะฟ้าประตูเมืองเมืองทั้งหลายเนี่ยจุดอ่อนของมันก็คือประตูนะประตูเมืองส่วนที่เป็นกำแพงนะก็สร้างไว้อย่างแน่นหนา แต่ว่าถ้าศัตรูจะเข้ามาได้ก็เข้าทางประตูนั่นแหละกำแพงเมืองจีนที่ใหญ่โตโมโหรานความยาวนี่ก็หลายพันกิโลเมตรเพื่อป้องกันไม่ให้พวกอนาธิยชนพวกแมนจูเข้ามาถ้าแมนจูไม่ได้ข้ามกำแพงเข้ามานะแมนจูเข้ามาทางประตูทางประตูเนี่ยประตูเมือง เขาใช้ลูกไม้นะเขาใช้ลูกไม้ติดส้นบนทหารตั้งแต่ระดับนายพลลงมาเลยติดส้นบนให้รางวัลประตูก็เลยเปิดพวกแมนจูก็เข้ามาแล้วก็สามารถที่จะครองเมืองปักกิ่งได้ราชโหมิงก็เลยพัทงที่หน้า อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นซ้าแล้วซ้าเล่าในเมืองต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยทหารยามนะที่เฝ้าประตูนเนี่ยสำคัญมากมันชี้เป็นชี้ตายนะเกี่ยวกับเมืองหรือนครอาใจัล้วก็เหมือนกันนะสติเป็นเหมือนทหารยามที่เฝ้าประตูแห่งจิตนทนคร ขโม่มาเนี่ยก็พยายามจะเข้ามาด้วยการล่อให้ใจเราหลงแต่ถ้าสติเราไวนะฉลาดก็สามารถจะรักษาเมืองเอาไว้ได้คือรักษาใจเราให้ปลอดภัยที่เรามาเจริญสติกันเนี่ยนะแม่จะดูเหมือนว่ายังไม่ใช่เป็นแม่ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่เป็นเรื่อง คอขาดบาดตายหรือเร่งเรื่องด่วนเนะมื่อเทียกับงานการนะที่เรามีภาระาที่เรารับผิดชอบหนะี้สินะที่ยังต้องหาเงินหาทองมาทดใช้พวกนี้ดูเหมือนมันเป็นงานเร่งด่วนนะเป็นสิ่งที่ดูมานสำคัญกว่าแต่ไม่ใช่หรอกนะอาการ ที่เราพยายามเจริญสติให้เป็นเครื่องรักษาใจให้บอดภัยเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องเลื่องตัวก็จริงแต่ว่ามันสำคัญมากเพราะถ้าเรารักษาสติวันนี้นะวันหน้าสติก็รักษาเราเวลาเกิดเหตุนะวิกฤตฉับพลันเนี่ย สติที่เรารักษาไว้มันก็ช่วยทำให้ใจเราเนี่ยหรือชีวิตเราปลอดภัยด้วยซ้ำที่จริงชีวิตประจำวันของเราเนี่ยถ้าไม่มีสติก็อันตรายนะแค่เดินลงบันไดแล้วใจลอยก็อจจะตกบันไดหัวกระแทกพื้นกลายเป็นอัมาาพาตได้ หรือว่าอยู่ในห้องน้ำเดินยังไม่มีสติลื่นถลยลนะหัวกระแทกพื้นอันนี้ก็เป็นอันตรายถึงตายได้จริงๆแม้กระทั่งเวลาเรากินข้าวนะถ้าเรากินยังไม่มีสติมัวมากนะกินไปคุยไปนะกำลังคุยกันอย่างออกรถเ อ, อกชาติ กาเกิดข้เอเหนติดคอนะหรือว่าเนื้อติดคอเข้าอันนี้ก็กลายเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายนิทราไปได้นะนั่นจะว่าสติหรือการเจริญสตินั่นที่เรากำลังทําอยู่นี่มันสําคัญน้อยกว่างานการภาร ก, กิจที่บ้านที่ทํางานที่คอยเราอยู่เนี่มันก็ไม่ใช่นะยิ่งถ้าเรารึกถึงว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้อง เจอความพัดพลาดสูญเสียของรักก็ดีคนรักก็ดีต้องเจอกับความล้มเหลวในการงานถ้าไม่มีสตินี่ก็เสียสูญนะเสียสูญไปเลยที่บางทีเนี่ยไอ้ความไม่มีสติมันก็เริ่มต้นจากการที่เราได้โชคได้ลาบ้วยซ้ำ ไม่ชว่าต้องมีสติเวลาประสบเหตุนะที่ไม่พึงปรารถนาหรือเจอเคราะห์นะแม้แต่เวลาเจอโชคเนี่ยไม่มีสตินี่ก็อันตรายนะวันนี้ก็มีข่าวนะมีผู้ชายคนนึงอายุส3ปีามปีถูกลอตเตอรี่นะรางที่หนึ่งเนี่ยเจ็ดใบนะ เจ็ดใบโอ้โ oh, ห oh. มันกี่ล้านนะนะร้องเลยนะกินเหล้าเลี้ยงเมาหลับตื่นขึ้นมาลอตเตอรี่หายหมดเลยโอ้ oh. แกเศร้าเลยนะเศร้าซึมไปเลยแล้วก็เมื่อวานนียเอาปืนยิงตัวเองตาย เป็นข่าวเมื่อเช้าอันนี้เราไม่มีสติตั้งแต่ตอนได้ได้ได้โชคแล้วฉลองหน่อย้วฉลองด้วยความดีใจนะก็เลยกินใหญ่ ก, ก, ก, กินกินกินจนเมาเมาแล้วก็หลับพอโชคมันกลายเป็นเคราะห์ที่ไม่ใช่เคราะหรอกคือโชคมันแค่หายไปลอตเตอรี่เกิดมีคนขโมยไปไม่ใช่เคราะหนะ เพียงแค่ว่าโชคเนีมาหลุดลอยไปจากดีใจก็เป็นเสียใจไปเลยซึมไปเลยทาใจไม่ได้ปล่อยวางไม่เป็นก็เรียกว่าไม่มีสติรักษาใจนปะล่อยให้ความเศร้าเสียใจมันเก่ะ ก, กินใจจนคงซึมไปเรื่อยๆจิตมันดิ่งลงไปในความเศร้ า, าสุดท้ายก็ดิงตัวตาย อาจจะมีเหตุปัจจัยอื่นด้วยนะอันนี้มันคงไม่ใช่มีแค่ปัจจัยเดียวแต่คนเราเนี่ยพอเวลาไม่มีสติเสียสูแล้วเนี่ยนะเรื่องเล็กๆน้อยๆก็กลายเป็นประเด็นอันนี้มันก็ ค, คล้ายๆกับเรื่องของอคุณลุงคนหนึ่งนะถูกรอตตอรี่รางวัลที่1นกระดีใจมากเลยถือรอตตอรี่ไปเข้าไปในตลาดประกาศ ให้คนในตลาดดูว่ากูถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเว้ยดีใจนะาการดีใจเนี่ยมันเป็นเป็นเรื่องอัตตานะต้องการโชว์คนเราเวลาได้โชว์เวลาได้รางวัลหรือได้อะไร ด, ดีๆก็มักอยากจะประกาศตอนป็นสมัยนี้ก็ขึ้น f เฟซบ o ๊กนะสมัยก่อนไม่มีเฟซก็ไปประกาศบนตลาดในตลาดว่ากูถูรางวัลที่หนึ่งเว้ยต้องการโชว์ดีใจมากนะ ในช่วงเวลานั้นแกจะเผิลคิดไปว่าเนี่ยต่อไปนี้กูไม่จนแล้วลาก่อนความจนนะกูไม่จนอีกแล้วนะลาก่อนนีิสินแกคงคิดแบบนี้นะเพราจู่ๆแกก็ฉีกรัตเตอรี่ทิ้งเลยนะตอนแรกคิดว่าจะฉีกหรือว่าทําลายความยากจนแต่กลับกลาไปฉีกรัตเตอรี่เป็นชินช้นๆสักพักรู้ตัวได้สติขึ้นมาตายแล้ว หัวใจเสียเลยนะพยายามเอาลอตเตอรี่เนี่ยที่เป็นชิ้นชิ้ น, นเนี่ยมามาปฏิปต่อกันมันไม่ได้แนละ้ว เ, เงินเป็นล้านนี่หายวับไปต่อหน้าต่อตายกระสุดเลยนะสุดเลยจากดีใจสุดๆกลายเป็นเสียใจสุดๆแล้วจากนั้นแกก็กลนคนบ้ากลายเปนคนบ้าไปเลยเนี่ยแม้กระทั่งในะเวลาได้โชงเนี่ยก็ต้องมีสตินะ เดีย๋ยวว่าแต่เวลาเจอเครอะห์เลยน่นสติในจึงเป็นสิ่งจำเป็นในทุกสัตีทุกสถามและเมื่อเรามาเราเห็นความซ้อนควารกรองการเจริญสติเราก็มาปฏิบัตินะก็ขอให้มีความเพียร น, นะแต่ว่าก็อย่าทำด้วยความซีเรียส น, นะอย่าทำด้วยอาการหน้าดำข่ำเคร่ง เ, เวลาเราจเจริญสติก็ให้ทําด้วยใจที่สบา ย, เ, ยเราจะมาด้วยความคาดหวังต่างๆนานาเพราะถ้าเราไม่มีความคาดหวังเราคงไม่มาไม่เสียเวลา เ, เกิด อ, อาทิตย์แต่เมื่อเราเริ่มลงมือเดินจงกรมเริ่มยกมือสร้างจังหวะต้องวางนะความคาดหวังหรือว่าเป้าหมายทั้งหลายเนี่ยลง วางไวนะ้ข้างตัวเลยและอยู่กับปัจจุบันนะก็คือรู้สึกนะเวลากายเคลื่อนไหวเวลามือเคลื่อนไหวหรือว่าเท้าเคลื่อนขยับนะก็ให้รู้ตัวคือรู้กายแล้วก็ทำด้วยความสุขสบายสบายแต่ว่าเป็นธรรมดาหนะ้าที่เราจะรู้กายได้ประเดียวประดาวรู้แค่ไม่กี่วินาที แล้วก็จะลืมกายเรียกว่าลืมตัวไปเลยเข้าไปอย่ในโลกแห่งความคิดไหลไปในอดีตบ้างลอยไปอนาคตบ้างจมอยู่ในอารมณ์บ้างมันจะเป็นอย่างนี้ครั้งแล้วครั้งเรากว่าจะรู้ตัวก็โอค้คิดไปไกลแล้วไม่เป็นไรอย่าไปโมโหตัวเองอย่าไปโทษตัวเอง อย่าไปหงุดหงิดนะรู้ตัวเมื่อไหร่กลับมาไอ้ที่คิดไปแล้วก็ช่างมันทิ้งไปเลยไม่ต้องกลับมาหวนคิดว่าเมื่อกี้คิดอะไรนะหลายคนจะพบว่าคิดไปจนเป็นเรื่องเป็นราวนะเพลินมันมากเลยพอมีสติรู้ตัวนี่ลืมไปเลยนะว่าคิดเรื่องอะไรแต่ว่ารสชาติความเมตตาอร่อยเนี่ยมันยังมีอยู่ก็เลยอยากจะหวนกกลับไปคิดว่าเมื่อกี้คิดอะไร อย่าทาอย่างนั้นนะทิ้งไปเล ย, ยกลับมาเริ่มต้นใหม่แล้วขณะเดีย ก, กันเวลาคิดไปแล้วมันเกิดรู้ตัวขึ้นมาบางคนเนี่ยพอรู้ปุ๊บเนี่ยจะมีความพยายามอยากจะกดข่มความคิดนั้ น, น, น, น, นก็พยายามไปห้ามจิตไม่ให้คิดไปกดข่มความคิด นะส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากความตั้งใจนะที่จะให้จิตสงบอย่าให้จิตมันสงบก็จะไปะพยายามห้ามความคิดนะแทนที่จะรู้ทันความคิดก็ไปห้ามมันดูเหมือนดีนะแต่ทำไปบ่อยๆทำไปบ่อยๆเนี่ยมันจะเครียดเพราะสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นการไปต่อสู้กับพลังนะไปต่อสู้กับจิตที่มันที่มันไมมีพลังนะ ลังของความคิดเมืม่อนกับหมาที่มันดุนะหรือม้าที่พยศแล้วก็พยายามที่จะบังคับมันให้หายพยศเรนะาทาได้สักพักเราก็เหนื่อยเพราะว่าสู้แรงต้านของมันไม่ได้หลายคนพอทําไปับวันสองวันสามวันก็จะรู้สึกเครียดรู้สึกหน้ามืดรู้สึก นะหนักหัวอันนี้ก็ให้รู้นะว่าเป็นเพราะเราเพ่งนะเราพยายามที่จะเอาชนะความคิดนะเราไม่ชอบความฟุ้งซ่านเราก็เลยพยายามกดข่มมันทันทีที่รู้ว่ามันฟุ้งนะคนที่เครียดนะแต่ไม่ใช่พราะป่วยนะ เครียดเพราะพอร้อสึแน่นหน้าอกปวดหัวให้รู้ว่าเนี่ยเป็นเพราะไปเพ่งเป็นเพราะไปบังคับจิตเพ่งีหมายถึงว่าเอาจิตไปเพ่งอยู่ที่มือบ้างไปเพ่งที่เท้าบ้างหรือไปพยายามบังคับจิตบ้างและที่เป็นเชนนั้นก็เพราะว่าอยากให้จิตมาสงบที่เป็นเชนนั้นเพราะไม่ชอบความฟุ้งเห็นว่าเป็นเห็นว่านเป็นปฏิบปักที่ต้องกำจัด ทำไมถึงมีอาการหน้ามืดรู้ไหมหรือว่าหนักหัวเพราะว่าตอนที่เราไปห้ามความคิดเนี่ยเราจะกั้นหายใจโดยไม่รู้ตัวเวลาสนเข็มน่ะสังเกตมาเวลาสนเข็มอ่ะเราตั้งใจสนเข็มมากเนี่ยเราจะกั้นหายใจแต่ว่าสนเข็มนี่มันใช้เวลาไม่นานนะไม่กี่วินาทีไม่เกินนาทนีแต่ถ้าเกิดว่าเรากั้นหายใจเป็นต่อเนื่อง ตลอดทั้งวันสองสาวันเนี่ยมันก็ธรรมดาแล้วก็จะหน้ามึดก็จะหนักหัวเราไปกลั้นหายใจเพราะเราทุกครั้งที่เราไปกดขม่มไปห้ามความคิดนี่ที่เราจำใช่นัมเพราะเราอยากอยากให้จิตสงบเพราะเราไม่ชอบมันไม่ชอบความฟุ้งซ่านวางความอยากลงทําสบายสบายทําเล่นๆนะหลวพอ่อเถิดท่าน ท่านสอนอาตมาเนี่ยประโยคน์แรกๆที่ท่านสอนก็คือทําเล่นๆนะแต่ทําจริงๆนะทำเล่นๆกันมาเพราะว่าเออมันผิดมันพลาดไปก็ช่างมันไม่ต้องเพ่งนะอนุญาตให้ใจมันฟุ้งไวให้จิตเป็นธรรมชาติสิ่งที่เราจะฝึกเนี่ยก็คือฝึกให้รู้ทันเวลาใจมันฟุ้งนะรู้ทันเมื่อใจมันฟุ้งนะ หรือรู้ทันเมื่อมีความเครียดแา้วนะพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยนะสะติมันก็จะโตสติมันก็จะไวสติมันก็จะเชี่ยวชาญชนานาญเพราะมันได้ฝึกได้ซ้อมอยู่บ่อยๆก็หมายความว่าต้องผิดบ่อยๆนะมันถึงจะถูกต้องลงบ่อยๆนะมันถึงจะรู้ทนันหรือรู้ได้ไวอันนี้แปลว่าเนะี่ยเริ่มต้นจากการที่เราทำเล่นๆทาเล่นๆนะ ไม่เพง่งไม่บังคับจิตแต่ทําจริงๆก็หมายว่านอนทําตั้งแต่เช้าตื่นขึ้นมาตอน ท, ทีที่รู้ตัวรูกจากที่นอนก็ทําเลยนะแต่ไม่เป็นต้อง ท, ทําด้วยการยกมือสร้างจังหวะเดิ น, ดนย่ังผมก็ให้มีความเพียงแค่มีความรู้ตัวมีสติในสิ่งที่เราทำนะกายทําอะไรก็รู้นะเห็นกายเคลื่อนไหวถ้าใจมันเผลอคิดนึกไปก็รู้เนี่อรู้ว่ารู้ใจคิดนึก ใหม่มันก็ไม่ค่อยรู้ใจคิดนึกหรอกแต่มันเห็นกายว่าทำอะไรนี่มันง่ายกว่าทำเล่นๆไปนะต้องอนุญาให้ใจมันฟุ้งได้นะมันเหมือนกับเราเลี้ยงหมานะหมาน้อยๆตัวน้อยๆเราก็อยากจะให้มันอยู่บ้านเพราอยู่บ้านปลอดภัยแต่มันชอบวิ่งเล่นออกไปข้างนอกทำยังไงจะให้ หมานี่มันอยู่บ้านหรืออยู่ติดบ้านวิธีที่ง่ายเร็วก็คือล่ามโซ่มันเอาไว้นะหรือขังไว้ในกรงแต่วิธีนี้ทำให้มันดุนะมันดุแล้วก็ถ้าไม่มีโซ่ไม่มีกรงก็จะเล่นตเหลือไปอีกวิธีนึงคือว่าเราให้มันเป็นอิสระมันจอดจากนอกมันจอดไปข้างนอกก็ได้แต่ว่าเราจะ พยายามเรียกมันบ่อยๆเรียกมันเรียกมันนะมันไปเราก็เรียกมันไม่มๆเนี่ยมันไปไกลแล้วก็มันจะกลับมาแต่เนื่องจากเราเรียกบ่อยๆเรียกบ่อยๆเนี่ยมันก็จะเริ่มรู้แล้วว่าที่ทางของมันเนี่ยคือบ้านบางครั้งอาจจะเผลอนะมีเสียงหมาเห่าอยู่ข้างนอกมันก็วิ่งไปสักพักมันนึกขึ้นมาได้ว่า บ้านของมันเนี่ยคือที่ที่มันควรอยู่ก็วิ่งกลับมาบางทีมีคนวิ่งเดินผ่านถนนาเดินผ่านหน้าบ้านมันก็ไปเล่นกับเขามันลืมตัวสักพักมันนึกขึ้นมาได้ว่านี่มันตออกนอกบ้านแล้วมันกลับมามันกลับมาเองหลังจากที่เราเรียกมันบ่อยๆจนทั่งมันเชื่อมันรู้ว่าที่ทางมันคืออะไร แล้วมันพอใจแี่กลับบ้านเพราะว่าเป็นที่ที่มันมีอิสระมาเล็ตัวไม่อยากกลับบ้านนะเพราะรู้ว่าถ้ากลับแล้วถูกล่ามมันรู้สว่น่นไม่ใช่บ้านนั่นคือคุกนะก็ไม่ต่างจากลูกหลานของเรานะถ้าเราทําให้เขารู้สึกว่าบ้านเนี่ยคือคุกเนี่ยเขาก็ไม่อยากกลับบ้านเวลาเขาไปเรียนหนังสือเขาก็ทะเลเลิกเดียนเขาว่าจ ะ, ะได้ทลายนะค่นะาๆก็ถึงจะกลับ วันเสารวันที่เขาไปหาเรื่องออกไปนอกบ้านเขาไม่อยากกลับบ้านเพราะเขาถือว่ามันไม่ใช่บ้านมันคือคุกเพราะว่าเขาไม่มีสลัจะทําอะไรก็ถูกสั่งถูกบังคับแต่ถ้าเราทําให้เขารู้เถอะว่าบ้านคือบ้านนะเขาก็อยากจะกลับมาอยู่บ้านทำไมเขาอยากกลับเพราะเขามีสลัดแล้วเขาก็มีความอบอุ่นทํากายเอให้เป็นบ้านของใจนะ ไม่ใช่คุกของใจหลายคนทำให้กายนี่เป็นคุกของใจคือไปบังคับจิตให้มันอยู่กับกายอยู่กับลมหายใจบ้างอยู่กับมือบ้างอยู่กับเท้าบ้างแยมบัง <simply S 2> คับจิตให้มันอยู่กับกายกายก็เลยเป็นคุกของใจพอเป็ <toi. S 2> นคุกของใจ <ๆ S 1> นะใจก็อยากจะหนีท่าเดียวจากตอนทีน่ที่เราทำให้กายเป็นบ้านของใจนะใจันอยากกลับมากลับมาที่บ้านกลับมาอยู่กับ กลับมาอยู่กับเนื้อ ก, กับตัวเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมานนเริ่มต้นีนการทีนะ่เราให้อิสระกับเขานะก็จะไปแต่ว่าเรารู้ตัวเมื่อไหร่เรียกนะอะไรที่เรียกกลับมาก็คือสติเนะี่ยสติจะเป็นตัวพาจิตกลับมาอยู่ที่กายก้จะก็ไปอีกนะแล้วสติก็กลับมา รู้ทันแล้วก็พาจิตกลับมากลับมาที่บ้านก็คือกายเ น, นี่ยทำนี้บ่อยๆทำนี้บ่อยๆเนี่ยเราจะมีสติที่ไวแล้วก็รู้ทันอารมณ์ต่างๆได้รวดเร็วเวลาสตินี่ก็เห็นอารมณ์นะเวลาสตินี่เจออารมณ์เนี่ยเขาไม่ต้องทำอะไรมากแค่เห็นอย่างเดียวพอเห็นอย่างเดียวพอ ไม่ต้องทำอะไรกับความคิดและอารมณ์นั้นอันนี้เรียกว่ารู้สื่อๆนะรู้ซื่อๆคือแค่ก็คือรู้เฉยๆนะเห็นความคิดเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นก็ไม่ไปผักไสมันหรือไม่ไปยึดมันนะเวลาเป็นความยินดีก็ไม่ได้ยึดไม่ได้คอเคลียเวลาเป็นความยินร้ายความเครียด ก็ไม่ได้ผักใสมันแค่รู้ซื่อๆรู้เฉยๆร ต, ตินี่มันทําหน้าที่นี้ด้วยนะซึ่งมันเป็นเรื่องเดียวกับการเห็นไม่เข้าไปเป็นเพราะถ้าไม่รู้ซื่อๆนะไปคลอเคลียเมื่อเป็นอารมณ์ฝ่ายบวกไปผักใสเมื่อเป็นอารมณ์ฝ่ายลบเนี่ยมันจะเข้าไปเป็นเลยเฉนเป็นผู้ดีใจเป็นผู้เครียดเป็นผู้โกรธนะนี่เพราะว่า ไม่ได้รู้สู้ๆนะแต่แพรมเข้าไปผักกดขมมันในกรณีที่เป็นอารมณ์ฝ่ายลบหรือว่าเข้าไปคลอเคลียคูกคล็นในกรณีที่เป็นอารมณ์ฝ่ายบวกหม่ๆก็ทํายากนะเพราะว่าจิตของเราถูกฝึกมาให้มีปฏิกิริยากับความคิดและอารมณ์เหล่านี้นคือถ้าไม่ยึดนะคลอเคลียคุกคล้าก็ผักใส นะต่อสู้แต่การที่มีสตินะมันจะช่วยทำให้ใจเนะี่ยหรือทำให้ใจเราไม่มีไ ม, ไ, มไม่มีปฏิกิริยาอย่างนั้นนะกับอารมณ์คือไม่ผับใสแล้วก็ไม่ไฝ่หาแค่แค่รู้เฉยๆพอรู้เฉยๆนี่มันก็คือเห็นไม่เข้าไปเป็ น, ปนจะว่าเป็นทำให้ใจนี่เป็นกลางต่ออารมณ์ต่างๆก็ไนดะ้ ใจทีเป็นกลางต่ออารมณ์ต่างๆโดยที่ไม่เข้าไปพัวพันไม่เข้าไปแทรกแซงกับอารมณ์นั้นแค่รู้เฉยๆนี่มันก็มากพอนะที่อารมณ์เหล่านี้จะเลือนหายไปเพราะว่ามันเกิดจากความหลงพอหลงการเป็นรูปปุ๊บนี่มันก็หายไปทันทีไอ้ความคิดและอารมณ์ความคิดนี่คือหมอความรักคิดนะ มันเกิดขึ้นเมื่อเราหลงมันเหมือนกับไฟที่มันอยู่ได้เพราะออกซิเจนพอออกซิเจนดับไฟก็ดับไปด้วยพอหลงหายไปเพราะมีรู้มาแทนที่นะอารมณ์ความคิดวนที่มันก็เลือนหายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องไปทําอะไรกับมันเราต้องไปกดคมมันให้สติทํางาน นะเหมือนกับน้ําดีมันไปไล่น้ําเสียเองเราไม่ต้องไปวิดน้ําเสียออกมาให้เหนื่อยนระฝึกนะให้เห็นด้วยสตินะไม่เข้าไปเป็นเรนะฝึกใจให้เป็นกลางนะให้รู้สึกเป็นกลางกับสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาไม่ใช่เฉพาะทำมารมหรือความรู้สึกนึกคิดนะที่มันเกิดขึ้นในใจต่อไปเนะี่ยแม้เป็นเสียงนะดัง ใจล้วก็เป็นกลางกับมันได้แม้เป็นอากาศที่หนาวใจล้วก็เป็นกลางกับมันได้ถ้าใจไม่เป็นกลางเนะคือใจไปผักใสเสียงที่ได้ยินหรือว่าความหนาวที่กระทบใจมันนี่มันทุกใจดันทีเลยนะทุกใจเกิดขึ้นเมื่อจิตมันดิ้นอดีนมีสองอย่างเนี่ยก็ ค, คือดิ้นเพื่อจะครอบครองอยากได้กับดิ้นเพื่อผักใส่ ถ้เสียงดังเนี่ยนะถ้าใจเราเฉยๆกับมันไม่ทุกนะแต่ที่ทุกข์เพราะใจเนี่ยไปมีปฏิกิริยานในทางลบ ก, กับเสียงนั้นไปผักใสไปต่อต้านมันความฟุ้งซ่านก็นเหมือนกันนะมันไม่ได้ทำอะไรเราหรอกมันมาแล้วก็ไปแต่เป็นเพราะใจเราเนี่ยไม่ชอบมันนะก็เลยเป็นทุกข์นะเมื่อความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นแล้วเขาบอกว่าปฏิบัติหรือภาวนาเนี่ยไม่ค่อยได้เพรามันฟุ้งเหลือเกิน ที่ดึงความฟุ้งไม่ใช่ปัญหานะจิต ท, ที่เป็นลบกับความฟุง้งต่างหากที่เป็นปัญหาหรือเป็นเพราะความไม่ชอบไอ้ที่มันฟุ้งเนะความไม่ชอบหรือจิต ท, ที่เป็นลบที่พักสายตรงนี้ต่างหากที่เป็นปัญหาเมื่อเป็นปัญหาเราทำไงเราก็ทำให้ปรับใจเป็นปกติให้เป็นกลางกับมันนะเป็นกลางกับมันอันนี้ก็ทาให้เราสามารถจะรู้ รู้วิธีที่เห็นนะไม่ก็เป็นเป็นได้แล้วก็ลองทำดูนะทำเล่นๆไปทำด้วยใจที่ริ้มแย้นใจที่ปล่อยวางอยู่กับปัจจุบันคํามรู้กับทนนี